สวัสดีครับท่านผู้ YouTube ที่ช่องที่ช่อง Faith Thai Story นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมิน หลวงพ่อกบเนี่ยท่านจําพรรษาในอดีตนะครับธรรมศาสตร์อยู่ เตวเทียนนะครับซึ่งเป็นการพึ่งกสิณนั่นเองนะๆนะ แปลกประหลาดนะครับไม่เหมือนพระสงฆ์โดยทั่วไปนะ <ม. S 1> 7 วันเลยนะซึ่งก็ไม่เป็น อ่านดูนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นปริศนาแล้วก็ เรื่องราวของหลวง 15 เมษายนนะครับ 2494 นะครับช่วงนั้นนะครับ นะครับต่อไว้อย่างนี้เลยนะครับตอนแรกนะครับทีนี้มา หลังจากนั้นนะครับก็ไปบนคันนานะครับห่างจากกุฏิราวๆ30 เมตรหลวงพ่อก็ทําการเอ็นตัวนะครับลงนอน จนถึงเที่ยงวันจนกระทั่งบ่ายจนค่ำลงเนี่ยท่านก็เนี่ยเมษายน 2594 เนี่ยก็ตั้งแต่เช้ายันค่ําอย่างนี้ การบำเพ็ญเพียรเนี่ยอย่างนี้นะครับก็ทําให้ 22 เมษายน พ.ศ. 2494 หลวงพ่อกบก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ถามหลานลูกศิษย์ว่าเฮ้ยข้าหลับไปกี่ ทหารแล้วท่านก็ฉันครับแล้วท่านก็ฉันฮะฉันก็ฉันไม่ 7 วันเนี่ยจะมีผล ลองอดอาหารแค่ 2 มื้อเนี่ยก็ใจจะขาดอยู่แล้วนะครับเรื่องราวการอด ท่านได้พิจารณาธรรมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้นะหลวงรับบิณฑบาตอาหารชาวบ้านก็ต้องมามาใส่บาดอะไรท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้สมที่ชาวบ้านได้ สำหรับหลวงปู่มั่นเช่นกันหลวงปู่มั่นก็ฉันน้อยนะครับก็มีอยู่ช่วงนึง มีความว้าวุ่นใจอยู่ช่วงนึงนะฮะท่านก็เลยได้ทําการพยายามที่จะกายตนเองนะอดอาหารอยู่ช่วงนึงแล้วท่านสามารถที่จะเข้าถึงหลักธรรมได้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารที่แปลกประหลาดนะว่าจะนานถึง 7 วัน เรื่องราวนี้ก็ปรากฏในหนังสือเร ก็เป็นเจ้าภาพๆที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างเช่นหลวงพ่อเกษมเขมโก ยังไงอ่ะบางทีก็จะบุบๆปี 2500 ปี 2495 แหละครับที่ท่านได้ทรมานกายไม่ฉันอาหาร 7 วันประกอบ mm hmm. 17 ธันวาคม 2497 นะเกิน 50 ปี 60 60 ปี นะครับก็สําหรับใครที่สนใจ ก็มีอีกเยอะนะครับจริงๆผมก็นะนะนะ Facebook นะครับที่เพจ